เพันธุ์ก็พันประโยชน์ทั้งหลายประโยชน์ของตัวเองนั่นแหละถือว่าเป็นประโยชน์ที่สูงสุดถ้าเรารักษาประโยชน์ของตัวเองได้จะรักษาประโยชน์ของผู้อื่นได้แต่สําคัญนัประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเราขวนขวายแสวงหาประโยชน์ตนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งได้เราก็จะให้ประโยชน์แก่คนอื่นได้ไม่มีรอประโยชน์บอกประโยชน์ผู้อื่นถึงจะมาก แต่ถ้าเราต้องสูญเสียประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสาหรับเราเลยเนี่ยนะก็ต้องคิดนะมันมันก็ไม่ได้เลทเอาเราเรายอมบาปแล้วคนอื่นได้บุญมันไม่มีมันจริงๆแล้วจะไม่มีเป็นอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นในทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนล้วนแต่ได้รับประโยชน์ทุกคนล้วนแต่มีความสุขนั่นแหละเป็นความถูกต้องนนะ อันนี้ก็เป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ถึงเมืองปตาตลีบดเนี่ยนะที่จะมีอันตรายสามอย่างอันตรายจากไฟจากน้ําแล้วก็จากความสามัคคีเรื่องความสามัคคีนั้นเป็นตัวที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะทุกๆองค์กรตั้งแต่องค์กรเล็กองค์กรน้อยองค์กรใหญ่ขนาดไหนก็อยู่ที่ความสามัคคีความสามัคคีก็เกิดจากอะไรท่านก็บอกว่าเกิดจากการส่อเสียดเกิดจากปิสุนาวาจานั่นเองปิสุนาวาจา ก, การส่อเสียดนี่แหละเป็นตัวที่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 พระามสุนีธาและวัสการะมหาอมากของแควนมคดผู้นั่งอยู่ณด้านหนึ่งแลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรรับพัฒนาหารสําหรับวันนี้เถิดแล้วก็ชวเช้าก็ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพระเจ้าค่าเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับโดยดุสสัญญภาพ พรามสุนีทาและวัศการะมหาอามาตย์ของแควนมคตครัค้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้วจึงเข้าไปยังเรือนรับรองของตนแล้วก็สั่งให้ตกแต่งของควรเคี้ยวของควรบริโภคอย่างประนีตเอาไว้ในเรือนรับรองของตนแล้วให้กราบทูลการเวลาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพัฒหาเสร็จแล้ว ครั้งนั้นแหละในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งสบงทรงถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสง์สเสด็ดดำเนินเข้าไปยังเรือนรับรองของพราหมณ์สุนีทะและวัสการะมหาอมาตย์ของแควนมคธแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูเอาไว้ครั้งนั้นแลพรามณสุนีทะและวัสการะมะหาอมาตย์ของแควนมคธเลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยของควรเคี้ยวของควรบริโภคอย่างประณีตดด้วยมือของตน ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์ลงจากบาตรพราหมสุนีทะและวัสการะมหาอามาตย์ของแควนมคธถือเอาอาสนะต่ําณที่ใดที่หนึ่งแล้วก็นั่งอยู่ณด้านหนึ่งแล้วก็หลังจากทําบุญถวายทามเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็อนุโมทนาอนุโมทนาบุญกับสุนีระอ่าพราหมสุนีทะและวัสการะมหาอามาตย์อนุโมทนา คำว่ายาถาวริวหาพึ่งมาผูกเรียบเรียงกันขึ้นในยุคหลังแต่ก่อนหน้านั้นพระองค์ก็จะเห็นว่าสมควรจะแสดงเรื่องอะไรก็อนุโมทนาอาศัยเหตุนั้ น, น, นแล้วก็แสดงไปประกาศอริยสัจไปนะพระองค์ก็อนุโมทนาว่าบุรุษผู้มีชาติบัณฑิตเข้าไปอยู่ณประเทศแห่งหนใดเนี่ยนะพึงเชิญท่านพรหมจรีผู้ประพฤติพรหมจริย์ทั้งหลายผู้มีศีล ผู้สังวรเนี่ยนะมีสังวรทั้ง5้าให้บริโภคในสถานที่ประเทศนั้นเนี่ยนะหมายคือว่าบัณฑิตที่มีปัญญาเนีเขาไปอาศัยอยู่ที่ไหนเขาก็เชิญท่านผู้มีศีลมาถวายปัจจัยนะที่นั้นถามว่าทำไมพอทําบุญเช่นนั้นเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนบุญอุทิศทักษิณายกบุญกุศลให้แก่เทวดาทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในประเทศนั้นนั้นเรียกว่าทำบุญอุทิศให้เทวดา ที่ปกปักรักษาดูแลอยู่นะสถานที่นั้นสมัยใหมให่ที่เรียกว่าทําบุญอุทิศให้พระภูมิเจ้าที่เนี่ยนะพระภูมิก็คือภูมิแผ่นดินก็คือเทวดาที่ดูแลคอยปกปักรักษาณบริเวณแถวนั้นเหมือนกันเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นอันบุรุษนั้นบูชาแล้วบูชาบูชาด้วยการอุทิศยกบุญยกบุญลที่ได้ทํานี้ให้แก่เขาเขาย่อมบูชาตอบถ้าเราอยากให้เทวดารักษาเราเราต้องทําอะไรให้เทวดาเหมือนกันนะ ถ้าอยากให้คนอื่นช่วยเหลือเราเราต้องช่วยเหลือคนอื่นก่อนแล้วคนอื่นจึงจะช่วยเหลือเราเป็นต้นเพราะในโลกนี้กฎเกณฑ์มันคล้ายๆเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราอยากได้อะไรก่อนเราก็ต้องให้เขาก่อนแล้วเราจึงจะได้สิ่งนั้นกลับมาพันเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นที่มนุษย์บูชาแล้วก็บูชาตอบเมื่อมนุษย์ทั้งหลายนับถือแล้วเทวดาเหล่านั้นก็นับถือตอบ ถ้าเรายำเกรงเทวดาเทวดาก็ยำเกรงเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นบัณฑิตเออข้าไปเทวดาทั้งหลายก็จะอนุเคราะห์ด้วยใจกรุณาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นเขาจะสงสารคือเทวดาทั้งหลายเนี่ยความสามารถพิเศษอันหนึ่งของเขาคือเขาโดยมากเขารู้อนาคตรู้ต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรภายในสามวันห้าวันเจ็ดวันภายในเดือนนี้ปีนี้เหตุการณ์ใหญ่ๆต่อๆไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น ทีนี้เขาก็รู้ว่าเออคนนี้ต่อไปจะต้องเดือดร้อนจะต้องลำบากเป็นต้นเขาก็กรุณามุ่งจะปลดเปลื้องให้บุคคลนั้นพ้นจากทุกข์เหมือนอไรเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรของตนนะก็เหมือนอย่างว่าแม่ทั้งหลายผู้ที่ ผ่านโลกมานานอยู่มานานเนี่ยเห็นลูกน้อยๆของตัวเองเลยนะใช้ชีวิตแล้วรู้ได้เลยว่าจะต้องเป็นอย่างไรต่อไปถ้าทําอย่างนี้ลูกจะเจริญหรือจะเสื่อมอย่างไรอะไรที่เป็นความเสื่อมของลูกก็จะกําจัดออกไปอะไรที่เป็นความเจริญของลูกก็จะหันหน้าของลูกเข้าไปหาประโยชน์และความสุขเหล่านั้นฉันใดเทวดาทั้งหลายก็ฉันนั้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อทุกโทษเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เทวดาก็จะปัดออกมา สิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเทวดาทั้งหลายก็จะหันหน้าข่าเข้าหาประโยชน์เหล่านั้นพันบุรุษผู้เทวดาการุณาสงเคราะห์แล้วคือคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเทวดาแล้วจะประสบแต่สิ่งที่เจริญทั้งหลายตลอดการทุกเมื่อทำอะไรก็ไม่ผิดไม่พลาดทำอะไรก็ได้รับแต่ประโยชน์ทำอะไรก็ได้รับแต่ความเจริญะนะชีวิตใช้แล้วก็มีแต่ ความสุขก็ได้ว่าทําอะไรก็ไม่ผิดนะนะเหมือนเทวดามาคอยบอกเหมือนเทวดามาคอยเตือนเขาจะทําในสิ่งที่ไม่มีคําว่าผิดแล้วพลาดเพราะอะไรเพราะเทวดารักษาแต่ถ้าคนที่เทวดาไม่รักษาเนี่ยคิดอะไรก็ผิดนะผิดตั้งแต่คิดอยงนั้นนะเจ๊งกระไรขาดทุนตั้งแต่เริ่มคิดเรื่องนั้นแล้วนะนะเสียหายตั้งแต่เริ่มคิดเรื่องนั้นแล้วนะสําหรับคนที่เทวดาไม่ดูแลรักษาความคิดเราได้เราใดก็พาไปแต่ เพื่อความวิบัติเนี่ยนะบางทีเขาบอกว่าพระพิสุเหล่าใดไปอยู่บางแห่งที่เทวดาไม่รักษานะบอกว่าจะมีความร้าวรานการขาดความสมัครสมานสามัคคีกันมันเป็นคนหงิดหงิดง่ายอ่ะทุกคนจะหงุดหงิดง่ายกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาก็จะรับเข้ามาเนี่ยนะคือทุกคนก็อยู่ด้วยความทุกข์ความยากความลําบากอยู่ด้วยความหงุดหงิดอยู่ด้วยความเครียดอยู่ด้วยความวิตกกังวลขาดความเมตตาต่อกันและกันเป็นต้นอันนั้นก็เพราะอะไรเพราะเทวดาเข้าไม่ ดูแลเขาไม่ปกปักรักษาก็เหมือนอย่างว่าพวกคินแบบถ้าระดับธรรมดาก็คือลูกน้องที่เจ้านายไม่รักะนะนจะเป็นยังไงใช่ก็เดือดร้อนแล้ว่างั้นเถอะคนงานที่นายไม่รักหรือว่าคนที่อยู่ภา ย, ายใต้บังคับบัญชาที่ผู้ผู้บังคับบัญชาไม่ชอบเนี่ยก็จะประสบแต่ความเสื่อมอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความเลวร้ายคนนี้ก็จะรับไปจนเต็มๆแบบนั้นเถอะนั้นเทวดาที่มนุษย์ที่เทวดาไม่คอยปกปักรักษาก็เหมือนกัน ทำให้มีแนวความคิดที่ผิดพลาดหลายอย่างด้วยกันคิดอะไรก็ผิดคิดอะไรก็พลาดอะไรน่าจะไม่มีปัญหาก็มีปัญหาไปหมดเนี่ยนะอะไรที่ไม่ควรจะติดขัดก็ติดขัดไปหมดอย่าลืมว่าในโลกของสังขารธรรมเนี่ยนะมนุษย์เราเองเราเรากันเองก็ยังให้คุณให้โทษแก่กันได้ช่วยเหลือกันก็ได้ทำลายกันก็ได้ขนาดธรรมดาธรรมดามนุษย์ธรรมดาสามัญนะยังให้คุณให้โทษแก่กันและกันได้ ให้ความเจริญแก่กันได้ให้ความเสื่อมแก่กันได้แล้วเทวดาผู้มีบุญหนักศัก์ใหญ่ทั้งหลายเขาจะหมายค่ะว่าเขาให้คุณให้โทษเราไม่ได้หรือแต่ขณะเดียวกันก็แล้วแต่บุญกรรมของเราเหมือนกันเนี่ยนะเขาเองก็ไม่ใช่ว่าอยู่บนพื้นฐานความอายุติธรรมอยากจะกลั่นแกล้งใครก็แกล้งไปไม่ใช่แต่เขาเห็นว่าอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยนะมันเขาจะช่วยได้หรือไม่ได้จริงๆทุกคนก็มาตามกรรมของตนนั่นแหละ ทุกคนมาด้วยกรรมของตนแต่คนที่มีอาหารเขาแบ่งให้ทานก็ได้เขาไม่แบ่งให้ก็ก็ได้ก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของเขาเทวดาก็เหมือนกันเขาอยากรักษาก็ได้เขาไม่อยากรักษาก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มีคุณงามความดีอะไรเพื่อบูชาเขาบ้างแล้วเขาอยากจะช่วยเหลือหรือยังไงนะก็จริงๆเทวดาก็คือพวกที่มีฮิริโอตปะพวกที่มีหิวฮิฮริโอตปะเนี่ยโดยรวมๆไม่อยากก้าวก่ายเรื่องของใครไม่อยากร่วมเรื่องของใครแต่ถ้าหากว่าเอามีความสัมพันธ์การเกี่ยวข้องกัน มีเมตตาต่อกันใจของเขาก็น้อมไปเพื่อที่จะเพื่อกูลแก่กันและกันเนี่ยนะถึงว่าเขาไม่อยากยุ่งแต่ด้วยใจกรุณาเขาก็มุ่งปลดเปรื่องที่จะช่วยเราให้พ้นจากทุกพ้นจากภัยเนี่ยนะังั้นคนเราใดที่เทวดารักษาก็จะประสบแต่ความสุขไปเรื่อยในในข้อข้อแปดสิบห้าเนี่ยนะข้อแปดสิบห้าหน้าสองร้อยห้าสิบเก้าครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงอนุโมทนาพราหมณ์สุนีทะและวัสการมหาอมาตย์ของแคว้นมคธด้วยพระคถาเหล่านี้แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับก็สมัยนั้นแลพรามสุนีทะและวัสการะมหาอมาตย์ของแคว้นมคธตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตามเสด็จไปโดยเบื้องพระปฤษสดางก็คือเขาเนี่ยติดตามพระพุทธเจ้าไปข้างหลังข้างหลังไปเขามีแผนในใจคิดว่าวันนี้นะพระสมณโคดม จากเสด็จออกทางประตูใดประตูนั้นจะมีชื่อว่าโคตมะถาวรประตูพระโคโดมเหมืนกนะัประตูโคโด ม, มนะเพราะพระพุทธเจ้าออกประตูนี้ถ้าพระพุทธเจ้าจากข้ามแม่น้ําคงคาโดยท่าใดท่านั้นจะชื่อว่าโคตมะติฐะถักท่าข้ามท่านนะพระพุทธเจ้าไม่ยอมให้มีท่าอันนี้เดดขาดเพราะติฐถันี่บางทีก็หมายถึงเดระ ถ, ถีหมายถึงลทัทธิเนี่ยนะเพราะมันจะเป็นศัพท์ที่มาที่ศัพท์แสลงที่ไม่มีประโยชน์ ต่อต่อไปในอนาคตพรันธุ์พงไม่ยอมให้มีแต่เขาคิดวางแผนไว้แล้วครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จออกโดยประตูใดประตูนั้นก็ชื่อว่าโคตมะทวานแต่ท่าท่าข้ามของพระพุทธเจ้าไม่มีก็เลยไม่เชื่อว่าโคตมะติฐถะเนี่ยนะครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินไปยังแม่น้ำํำคงคาโดยสมัยนั้นแลแม่น้ําคงคาเนี่ยนะมีน้ําเต็มฝั่งเสมอขอบฝั่ง เรีว่ากาเนี่ยืนอยู่บนบกก็ดื่มน้ําได้ว่างั้นเถอะยืนบนบกข้อน้ำมันปริ่มฝั่งเลยมนุษย์ทั้งหลายผู้ปรารถนาจะข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งปกติต้องใช้เรือบางพวกก็ใช้แพบางพวกก็ผูกทุ่นที่จะข้ามจากฝั่งหนึ่งสู่ฝั่งหนึ่งคือการที่จะข้ามฟาจากปาตลีบุตรไปอีกฝั่งหนึ่งข้ามไปสู่แคว้นไหนข้ามจากปาตาลีบุตรเพื่อข้ามไปฝั่งวัชีอ่านะฝั่งวัชีหรือฝั่งแคว้นวัชีหรือฝั่งเข็ อะไรนะเมืองไพราลีอ่ะนะสังเกตดูตอนที่เราวันที่เรามาที่ที่ไหนที่ไพราลีในชะ่ที่เข้าไปไปในป่ามหาวันแก็เข้าไปฉันเพลที่ไหนที่ที่ใน เ, เขตเขตเมืองของเมืองไพราลีเนะนะี่ยนะเสร็จแล้วก็พอออกมาเนี่ยออกจากเมืองไพราลีมาเพื่อจะข้ามเมืองราชคชิเราต้องนั่งนั่งรถเนี่ยข้ามสะพานข้ามแม่น้ำคงคาเนี่ยนะก็ต้องมีข้ามแม่น้ำคงคามา พันเมืองปาตลีบุตรเนี่ยอยู่ใกล้ๆฝั่งแม่น้ํำคงคาเสร็จแล้วครั้งนั้นเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหายพระองค์จากฝั่งข้างนี้ของแม่น้ําคงคาแล้วก็ไปประทับยืนอยู่บนฝั่งโน้นแห่งแม่น้ําคงคาเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู่ออกไปหรือพึงคู่แขนที่เหยียดไว้เข้ามาะ สำหรับคนอื่นๆนะผู้ปรารถนาจะข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งบางพวกก็ใช้เรือบางพวกก็ใช้แพบางพวกก็ผูกทุ่นแต่สำหรับพระองค์หายตัวหายพระองค์นะพร้อมทั้งพิสูจน์จากฝั่งนี้แล้วก็ไปประทับอยู่ฝั่งโน้หรือโดยที่ไม่ต้องลงเรือข้ามท่าข้ามฝากอะไรทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เปล่งอุทานนี้ว่าชนเหล่าใดจะข้ามสะห่วงน้ําข้ามแม่น้ําทั้งหลายชนเหล่านั้นก็จะต้องทําสะพาน ผ่านเปลือกตมข้ามไปปกติถ้าจะข้ามก็ต้องอาศัยอะไรสะพานเรือแพทุน่นประชาชนทั้งหลายต้องผูกทุ่นกันอยู่แต่ผู้มีปัญญาทั้งหลายข้ามไปได้ไม่ต้องผูกทุน่นผู้มีปัญญานี่อย่างพระพุทธเจ้ามีปัญญามากหายพระองค์จากฝั่งนี้ไปประทับยืนที่ฝั่งโน้นนี้ในที่หนึ่งในที่สอง พ้าองค์นั้นข้ามจากวัฏะสู่วิ ว, ะตะวนะตัตะด้วยอริยมรรคเนี่ยนะข้ามจากสังคตะสู่อสังคตะด้วยอริยมรรคไม่ต้องมีพุ่นมีอะไรอย่างอื่นดังนั้นเนะี่ข้ามด้วยปัญญาอธิบายเพิ่มเติมว่าอณวะอณวังเนี่ยนะอณบเนี่ยห่วงอณบก็เป็นน้ําทั้งลึกทั้งกว้างนะอย่างต่าที่สุดเนี่ยนะกว้างประมาณสิบหกิโลเมตรเรียกว่าอณบ ผู้ข้ามสะคือตันหาทั้งหลายที่ทั้งลึกทั้งกว้างอ่ะต้องข้ามด้วยสะพานคืออริยมัตนะถ้าจะข้ามจากข้ามฝั่งหนึ่งสู่ฝั่งหนึ่งห่วงทะเลน้ําลึกทะเลคือตันหาทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งลึกเนี่ยถ้าจะข้ามทะเลตันหาได้ก็ต้องข้ามด้วยอริยมัตละเปือกตมคือที่ลุ่มนะที่เต็มไปด้วยน้ําแต่ต้องไม่ได้ข้ามไป ส่วนคนผู้นี้แม้จะต้องการข้ามแม่น้านิดหน่อยก็ต้องผูกแพรส่วนผู้มีปัญญาคือพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกทั้งหลายไม่ต้องใช้แพรก็ข้ามได้ น, นะนะก็มีปัญญามีบุญมีฤทธิ์เนี่ยแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปก็ต้องมีทุ่นมีเรือมีสะพานมีแพรแต่สำหรับพระพุทธเจ้าไม่ต้อง